ัค่า อันพวกเราเรานักเรียนพยาบาลปานิธานอนุคุณความผ่อพอนเรียนวิชากรุณาช่วยผู้ชนผู่เจ็บเคยได้ผนทรมานแม้โรคร้ายจะแพร่บิดถึงเยื่ทชีจะยึดหลักโดยพืนีคือสองสาร มีชาการุณาสวยปรุกศนปู้เจ็บไครในพลนทรมานแม่โรคร้ายจะแพร่พิดถึงเปาวชนใจยืดหลังโลงอทิคือสองศ